เดี๋ยวนี้โรคที่ผู้คนเป็นนั้นมากนะต้องทุกแล้วก็ล้มตายถ้าไม่นับโควิดแล้วเนี่ยก็คือโรคหัวใจแล้วโรคมะเร็งนะพวกเราคงจะรู้จักคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างน้อยก็หนึ่งคนลหรือว่าตายเพราะมะเร็งเนี่ยจริงๆมากกว่าหนึ่งคนโดยที่เรารู้จักที่คนเป็นมะเร็งกันมากนะแล้วมะเร็งที่เป็นกันเยอะเนี่ยคือ มะเร็งปอดพึ่งทักย0่สิบสามปีมเองบางที่เราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยสามารถจะเกิดได้จากการสูบบุหรี่นะคนสูบบุหรี่มากๆนี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดแต่มก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยแต่ว่ากลับเป็นมะเร็งปอดอันนี้พวกเราคงทราบดี ประมาณว่าเนี่ยคนในเมืงคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยสองในสามเลยทีเดียวนะที่ไม่เคยสูบบุหรี่ก็เลยสงสัยว่าเนี่ยมันเป็นพ่ออะไรบางคนก็ถึงกับบอกว่าเอถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าบุหรี่ไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งปอดอันนั้นมันไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็มีหลักฐานยืนยันมากมายว่าสูบบุหรี่มากๆที่ทํานเป็นมะเร็งปอดแล้วคนที่ไม่สูบบุหรี่ทาไมถึงเป็นมะเร็งปอดเลยเพราะ ผู้หญงจำนวนมากนะเดี๋ยวนี้นี่ก็ไม่เคยทั้งที่ไม่แตะบุหรีเลยแต่กลับมาเป็นมะเร็งปอดก็เพิ่งมืเร็วๆนะี้ที่เขาพบว่าเนี่ยคนที่ไป็สูบบุหรีนะแต่เป็นมะเร็งปอดได้ก็เพราะมละพิษในอากาศมลภาวะในอากาศเนี่ยนะมันทําให้คนจำนวนมากนี่เป็นมะเร็งปอดและอะไรล่ะนะที่ทําให้เป็นมะเร็งปอดกันมากเนี่ยไอ้มลพิษเนี่ยตอนนี้เขาก็พบว่า ตัวการสำคัญเลยนะที่ทำให้คนที่ไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยก็คือ PM 2.5 ทั้งทั่วโลกเนี่ยนะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งปอดและตายเพราะมะเร็งปอดเพราะ P m 2.5 เนี่ยมีถึงสามแสนคนนะเฉพาะอังกฤษนี่ก็ตายไปปีละ 6,000 คนทั่วโรนี่ก็ 3,000 คนส0 0 0คนเฉพาะ สาเหตุที่เกิดจาก PM 2.5 นะยังไม่นับมลพิษตัวอื่นอีกนะพะเมาควันอะไรต่างๆนี่อันนั้นก็อ่ก็เป็นตัวการสำคัญเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยตัวการสำคัญอย่างมากนี่คือ PM 2.5 ตายปีละ3 0 0แสนคนเพราะมะเร็งปอดนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปริศนาคือว่า PM 2.5 นี่มันทำให้เป็นมะเร็งปอดได้ยังไง ไอ้บุหรีเร่เนี่ยควันบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดเนี่ยหมอรู้แล้วรู้ว่าเนี่ยไอ้ควันหรือสารพิษที่สู่เข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือพาเราในยีนนะยีนนี่มันอยู่ในเซลล์นะแล้วมันเป็นแม่พิมพ์ในการผลิตเซลล์ยีนที่พาเราเนี่ยที่เกิดจากควันบุหรี่เนี่ยหรือสารพิษในบุหรี่เนี่ย มันทําให้เซลล์เนี่ยกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งพูดง่ายคือว่ามันไปนกระตุ้นนะการกลายพันธุ์ในเซลล์จนกระทั่งเกิดเป็นมะเร็งแต่เพียอ็งจุดนี่มันไม่ได้ทําอย่างนั้นนะเพะเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดเนี่ยกับคนที่เป็นมะเร็งปอดพ่อสองจุดหพียอ็งจุดนี่ ถ้าพูดอน่ง่ยของการกลายพันธุ์ในยียนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยหมายความว่าคนธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้ป่วยเพราะมะเร็งปอดเนี่ยก็มีการกลายพันธุ์ในยียนอยู่แต่ทำไมไม่เป็นมะเร็งปอด น, นะก็เพราะว่ามันเป็นการกลายพันธุ์ที่สงบสงเงียมนะคือถึงแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดไม่เหมือนต้นฉบับนะ แต่ว่ามันไม่ได้ลุกลามจนกระทั่งกลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพบว่าสรุปว่าเนี่ยพี 2.5 เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในมะเร็งไม่เหมือนกับควันบุหรี่การกลายพันธุ์ยังเท่าเดิมแล้วทำไมถึงเกิดมะเร็งขึ้นนะเราพบว่าไอ้พีเอ 2.5 เนี่ยมันไปกระตุ้นให้เซลล์ที่มันสงบสงเงียม เซลล์กลายพันธุ์ที่สงบสงเงียมเนี่ยมันเกิดเพี้ยนขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งกลายเป็นเซลล์มะเร็งอันนี้ต่างจากควันบุหรี่นะหรือพิษในบุหรี่เนี่ยมันทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเซลล์จนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งแต่เพียมสองจุาเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์แต่มันทำให้ไอเซลล์ที่กลายพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยมันเกิดเพี้ยน จกนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งวันนี้เป็นการค้นพบใหม่นะซึ่งมันสำคัญมากเลยและกากนศกรมก็ชี้เห็นนะว่าตราบใดที่เรายังต้องเจอกับพีเม 2.5 อยู่เรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในปอด น, นี่ก็มีสูงมาคิดดูก็ก็แปลกนะ เมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยคนตายเพราะโรคติดเชื้อง่ายๆในความรู้สเรืองคนเราในปัจจุบันเนี่ยเช่นโรคบิดโรคไอว่าโรคปอดบวมโรคไอกรนนะหรือแม้กระทั่งโรคไข้ทรพิษนะโรคคอตีบเนี่ยทีนี้มมีใครรู้จักนะโรคคอตีบไอกรนหรือว่าไข้ทรพิษเนี่ยแต่ก่อนตายกันเยอะเลยที่เป็นโรคนี้ โรคพวกนี้ตายเพราะอะไรเพราะว่าความยากจนหรือว่าการอยู่ในที่ที่แออัดไม่มีน้ําสะอาดขาสุขอนามัยแต่พอเจริญขึ้นนะไอ้โรคพวกนี้ก็หายไปนะพอคนมีความพอบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้นมีสุขอนามัยมีน้ําสะอาดนี่โรคพวกนี้ก็หายไปศูนย์พันแล้วก็มีนะเช่นโรคไข้ทรพิษแต่ความเจริญก็ทําให้เกิดโรคชนิดใหม่ นะเช่นมะเร็งปอนเนี่ยซึ่งเกิดจาก 2.5 เนี่ยพม 2.5 เนี่ยไอ้พม 2.5 มันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากการเผาการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ซึ่งเครื่องยนต์นี่มันก็เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันก็แสดงว่าเนี่ยความเจริญเนี่ยก็มีข้อดีนะมันทำให้โรคติดเชื้อจำนวนมากนี่หายไป แต่มันทําให้เกิดโรคชนิดใหม่ขึ้นมาเนี่ใช่โรคมะเร็งโรนัโกโรคเบาหวานโรคหัวใจจะพูดว่าในดีมีเสียก็ได้แต่ที่มันน่าสนใจนะคือว่าตอนนี้เขาพบแล้วว่าไอพีเอ็มสองจ .5 ้าเนี่ยมันทําให้เกิดมะเร็งได้อย่างไรจริงๆตัวเพียมสองจุดห้ามันไม่ได้กระตุ้นให้เซลล์ที่สงบสงเงียมเนี่ยมันกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะถึงแม้จะกลายพันธุ์อยู่แล้วเนี่ย พ่อคนธรรมดาเนี่ยก็มีเซลล์กายพันธุแต่ว่าเซลล์ผู้ที่มันสงบส ง, งีบมันไม่ลุกลามไปเป็นเซลล์มะเร็งแต่พอเจอสองจห้าพีเอ็มส5เข้านี่ไอเซลล์ที่มันกายพันธุอยู่แล่นี่มันเพี้ยนขึ้นมาเลยมันอาราวาขึ้นมาเลยจริงๆเนี่ยตัวพีเอ็มไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการอารวาวาทนะแต่เป็นเพราะว่าสารบางตัวที่ร่างกายเราผลิตออกมาเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันในร่างกายคือพอพี2 5มเนี่ยมันเข้ามาในร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายแล้วก็ทํางานเลยด้วยการผลิตหรือหลัง่งโปรโตีนชนิดหนึ่งออกมาไอ้โปรโตีนนี่แหละนะที่มันทําให้เราเป็นมะเร็งปอดทั้งที่มันมีหน้าที่หรือว่าจุดมุ่งหมายของมันคือช่วยให้เราสุขภาพดีนะแต่ภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราป่วย ปุ๋มการร่างกายเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็เป็นตัวการได้เกิดโทษเกิดความเจ็บป่วยได้มากมายอย่างที่เราเคยรู้กันเนี่โรคเกาก็ดีโรคภูมิแพ้โลกแพ้ภูมิ ก, มก็ดีตอนนี้รู้แล้วว่าเนี่ยปุ๋มการร่างกายเราเนี่ยมันก็มีส่วนนะที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดด้วยการผลิตโปรตีนชนิดเนี่ยโปรตีนชนิดหนึ่งออกมาเนี่ยเวลาร่างกายเราเจอพ 2.5 ก็มสองจาเขารู้ยังไง ร, รู้เพราะว่า คนไข้ที่เป็นมหัวใจเนี่ยพอกินยาชนิดหนึ่งนะที่ระ ง, งับส ก, กัดโปรโตีนชนิดเนี่ยพอกว่ามะเร็งปอดพันเทาลงเลยเรียกว่าถูรัตเตอรี่โดยไม่รู้ตัวนะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามะเร็งปอดก็ลดลงเพราะว่ากินยาตัวเนี้ซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยไม่ให้ผลิตโปรโตีนตัวนี้ขึ้นมา อันนี้มันก็แสดงว่าเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยซึ่งแม้จะมีคุณนะมีคุณมากมายนะแต่ว่าก็มีโทษเหมือนกันในขณะที่มันป้องกันแม่เราเป็นโรคเจ็บป่วยนะแต่ตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทําให้เกิดโรคบางชนิดซึ่งรุนแรงที่จริงโควิดนะโรคซาโรคโควิดเนี่ยที่ป่วยกันมากเนี่ยปอดอักเสบพังกันจนหายใจไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะไวรัสนะ แต่เป็นเพราคุูมการร่างกายเรามันทํางานมากเกินไปนะขยันเกินไปมันไม่ได้ทําลายเฉพาะไวรัสในปอดของเรานะแต่มันทําลายเนื้อเยื่อในปอดด้วยปอดของเราของเราก็เลยพังเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าในคุณก็มีโทษนะสิ่งที่ทําหน้าที่เพื่อรักษาร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีก็อาจจะทําให้เราเจ็บป่วยได้อันนี้ก็เป็นธรรมดา สัจธรรมเลยนะเป็นธรรมดาโลกหรือสัจธรรมเลยในดีก็มีเสียในคุณก็มีโทษนะความเจริญก็ทำให้คนตายด้วยโรคติดเชื้อน้อยแต่ก็ตายด้วยโรคสมัยใหม่มากภูมิคมการร่างกายเราแม้จะมีประโยชน์ช่วยให้เรามีสุขภาพดีแต่ว่าในบางครั้งก็ทำให้เราเจ็บป่วยถึงกับล้มตายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเลยนะในดีมีเสียในคุณมีโทษ เพราะั้งสิ่งที่เราใช้เนี่ยแม้วันจะมีคุณยังไงก็ต้องรู้เท่าทันโทษที่มันเกิดขึ้นด้วยและเช่นเดียวกันในสุขก็มีทุกนะนะนนเพราะอย่าไปเพลินในสุขมากนะพเพราะเพลินในสุขก็จะทุกในเวลาต่อมาเมื่อโทษมันแสดงตัว